เทสนาเรื่องศัสตาวาทะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องศัสตาวาทะลัทธิที่ถือว่าอัตตาและโลกเที่ยงก็นับว่ายอดเยี่ยมศัสตาวาทะสามประการนี้คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลธความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบ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 จุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาเระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเขาพเจ้ารู้อดีตการได้ว่าโลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือว่าเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งเขาพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจากเสื่อมหรือว่าจากเจริญอาตาและโลกเที่ยงยั่งยืน ตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัตตะวาทะประการที่หนึ่งสงสมณะ ห, หรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสละละละบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นหรือลกชาติก่อนได้หลายชาต คือหสังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 2. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 3. สังวัตกับและวิวัตกับบ้าง 4. สังวัตกับและวิวัตกำบบ้าง 5. สังวัตกับและวิวัตกำบบ้าง 10. สังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะมีอาหารสวยสดิสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น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 สมณะหรือพราหมบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาเิเลสละละละบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นเระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือสิสังวัตกับและวิวัตกับบ้าง20สิังวัตกรรและวิวัตกรรมบ้าง30สังวัตกับและวิวัตกรรมบ้าง40สิังวัตกรรและวิวัตกรรมบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น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 นี้เป็นสสตะวาทะประการที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องสสตะวาะทะเทศนาเรื่องความอย่างรู้ที่ทำให้เราลึกชาติได้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องความยังรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ก็ น, นับว่ายอดเยี่ยมคือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาขีเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้าง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 มีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจารพบนั้นก็ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจารพบนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาเระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัตว์ทั้งหลายที่มีอาจจะกำหนดอายุไม่ว่าด้วยการคํานวณหรือด้วยการนับมีอยู่สัตว์ที่เคยอาศัยอยู่ในอัตภาพใดๆไม่ว่าจะในรูปประพบอรูปประพสัญญีพบสัญญีพบหรือเนวสัญญีนาสัญญีพบก็มีอยู่เขาเระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยม ในเรื่องความอย่างรู้ที่ทําให้ระลึกชาติได้เทศนาเรื่องความอย่างรู้การจุติและการอุบัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องความอย่างรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย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 นี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องความอย่างรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเทศนาเรื่องการแสดงฤกษ์าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรือเ่องการแสดงฤกษ์ก็นับว่ายอดเยี่ยม การแสดงฤิสองประการนี้คือ 1. นึ่ิฤที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอาริยะ 2. งฤติที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอาริยฤธิที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอาริยเป็นอย่างไรคือสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาท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 เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหอะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือรูปคลาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือฤทธิ์ที่มีอาสวะมีอุปธิไม่เรียกว่าอริยะ ฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่าอริยะเป็นอย่างไรเคอภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าไม่ปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีสัญญาในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมมีสัญญาในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงละวางสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือฤทธิ์ที่ไม่มีอาสวะไม่มีอุปธิเรียกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในการแสดงฤทธิ์พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทาข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งทาข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีทาข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพรามอื่นผู้รู้ทำยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการแสดงฤทธิ์อีกหรือ แสดงคุณพระศาสดาอย่างอื่นอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสิ่งใดที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีเรี่ยวแรงจะพึงถึงด้วยเรี่ยวแรงของบุตรด้วยความเพียรของบุตรด้วยความบากบั่นของบุตรด้วยความเอาตุรัของบุตรสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรลุเต็มที่แล้วอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคไม่ทรงหมกมุ่นกับการมาสุขาัานิกานุโย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 วิธีตอบคําถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุคคลถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสาเรบุตรได้มีสมณะหรือพรามผู้อื่นในอดีตการซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าจากมีสมณะหรือพรามผู้อื่นในอนาคตการ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 ถ้าเขาถามว่าจะมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นในปัจจุบันซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับพระผู้มีพระภาคใหม่เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบว่าไม่มีแต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าเหตุไรท่านสารีบุตรจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงตอบอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าได้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับเราข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าจากมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตกาล ซึ่งมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณเสมอกับเราข้อนี้ข้าพเจ้าได้สรับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเกิดพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะชื่อว่า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 จะชื่อว่าผู้ตรงตามที่เรากล่าวแล้วทีเดียวไม่ชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ เรื่องน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีด้วยกราทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้ทรงมีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้อวด ถ้าพวกอัญญาเดรธีปริภาชกได้เห็นประจักษ์ธรรมเพียงข้อหนึ่งจากธรรมของพระองค์แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเขาจะต้องยกทงเที่ประกาศน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่ามีอยู่แก่พระตถาคตผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้ทรงมีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ทรงโอ้อวดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาวของตถาคตผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่โอ้อวดถ้าพวกอัญญาเดรธีปริพาชกได้เห็นประจักษ์ทำเพียงข้อหนึ่งจากธรรมของเรานี้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกเขาจะต้องยกทงที่เราประกาศอุทายีเธอจงดูความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาของตถาคต ผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่โอ้ออดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าเพราะเหตุนี้แลสารีบุตรเธอพึงกล่าวธรรมบัญญายนี้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาห น, ห, นหนึ่งเนืองเถิดพวกโมฆะบุุษที่มีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคตฟังธรรมบัญญายนี้แล้ว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 สาธิกระสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใสข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณประสาทในอัมพวันของผู้เจ้าสักยะนามว่าเวทัญญาแขวนสักกะนิครนนาตบุตรถึงแก่กรรมสมัยนั้นนิครนนาตบุตร ได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปวาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนหน้าตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิมแทงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินยัยท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคําพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์ แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วเขาพระเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วเขาพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลืองตนให้พ้นผิดเถิดเห็นจะมีการฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิคร ผู้เป็นสาวกของนิครนนาตบุตรแม้ผู้สาวกของนิครนนาตบุตรที่เป็นเคราะห์นุ่งขาวห่วมขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครผู้เป็นสาวกของนิครนนาตบุตรทั้ทงนี้เพราะธรรมวินัยที่นิครนนาตบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ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 ท่านผู้เจริญนิครนหน้าตบุบรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่ครุมปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนหน้าตบุบรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกกันเป็นสองพวกและถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทำลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัยเมื่อพระจุนทะสมนุเทศกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอนุ์ได้กล่าวว่าคุณจุนทะ นี้เป็นข้ออ้างที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคุณจุนทะเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระจุนทะสมนุษเทศรับคำแล้วครั้งนั้นท่านพระอนนท์และพระจุนทะสมนุษทศได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง น, นั่ที่สมควร ท่านพระอนนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระจุนทะสมนุตเทศนี้บอกว่านิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานที่กรุงปาวาเพราะการถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันและถึงเป็นธรรมวินัยที่มีที่พำนักถูกทําลายแล้วเป็นธรรมวินัยที่ไม่มีที่พึ่งอาศัย รรมวินัยที่บุคคลผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไวไ้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้จุนทะในโลกนี้มีศาสดาผู้มิใช่พระสัมมา ส, มสัมพุทธเจ้า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 ท่านทั้งหลายเป็นแลาบของท่านท่านได้ดีแล้วศาสดาของท่านผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ท่านก็ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นด้วยเหตุนี้จุนทะแม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนแต่สาวกในธรรมวินัยนั้นควรได้รับการสรรเสริญจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่าท่านจงปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้บัญญัติไว้เถิดผู้ชักชวน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 จุนทะในโลกนี้มีาศาสดาที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่าศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนําออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือประพฤติทธรรมนั้น สาวกของศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่เป็นลาบของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วศาสดาของท่านเป็นผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้มิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแะทํา ร, รม ปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นยึดถือประพฤติธรรมนั้นด้วยเหตุนี้แลจุนทะศาวาในธรรมวินัยนั้นจะพึงถูกติเตียนธรรมในธรรมวินัยนั้นก็พึงถูกติเตียนและสาวกในธรรมวินัยนั้นก็ควรถูกติเตียนจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่าท่านปฏิบัติถูกต้องแล้วจะทําสิ่งที่ถูกต้องให้สําเร็จได้อย่างแน่นอน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 ธรรมวินัยที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้จุนทะอนหนึ่งในโลกนี้มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุก์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่สาวกไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นสาวกของาศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วาศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมก็เป็นอันาศาสดานั้นกล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ แต่ท่านไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้นด้วยเหตุนี้แหละจุนทะแม้ศาสดาในธรรมวินัยนั้นก็จะพึงได้รับการสรนเสริญธรรมในธรรมวินัยนั้นจะพึงได้รับการสรนเสริญแต่สาวกในธรรมวินัยนั้นควรถูกติเตียนจุนทะผู้ที่กล่าวกับสาวกเช่นนั้นอย่างนี้ว่า ท่านจงปฏิบัติธรรมที่าศาสดาของท่านแสดงไว้บัญญัติไว้เถิดผู้ชักชวนผู้ที่เขาชักชวนและผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามนั้นทั้งหมดจะประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่พระาศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนาออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นธรรมวินัยที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้จุนทะอันหนึง่งในโลกนี้มีศาสดาผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมที่ศาสดานั้นกล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้น ยึดถือปฏิบัติธรรมนั้นสาวกของาศาสดานั้นจะพึงมีคนกล่าวถึงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นแลบของท่านท่านได้ดีแล้วาศาสดาของท่านเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมก็เป็นอันพระาศาสดากล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และท่านก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบ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 ผู้สรรเสริญผู้ที่เขาสรรเสริญและผู้ที่รับการสรรเสริญแล้วปรารบความเพียนให้ยิ่งขึ้นไปทั้งหมดจะประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละจุนทะในธรรมวินัยที่ศาสดา ก, กล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมวินัยที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ ศาสดาผู้ให้สาวกเดือดร้อนในภายหลังจุนทะอันหนึ่งศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้และทำอันศาสดากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ศาสดายังไม่ทรงธทำให้สาวกทั้งหลายของพระองค์เข้าใจอัฏฐในสัจธรรม ทั้งไม่ทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปฏิหารแก่สาวกเหล่านั้นจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาศาสดาของสาวกเหล่านั้นปรินิพานไปศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพานแล้วทำให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อนในภายหลังข้อนั้นเพราะเหตุใดสาวกเหล่านั้นคิดว่า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 ให้มีผลอย่างปฏิหารแก่พวกเราจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาศาสดาของเราทั้งหลายปรินิพานไปจุนทะศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพานแล้วทำให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อนในภายหลัง ศาสดาผู้ไม่ทําให้สาวกเดือดร้อนในภายหลังจุนทะอนหนึ่งศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ธรรมก็เป็นอันศาสดากล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และพระศาสดาทรงทําให้สาวกทั้งหลายของพระองค์เข้าใจอัตตะในสัตยธรรม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 พระศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกและธรรมก็เป็นอันาศาสดากล่าวไวด้ดีประกาศไวด้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับเป็นธรรมที่ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้และพระาศาสดาทรงทําให้เราทั้งหลายให้เข้าใจอัฏฐะในพระสัต ธ, ธรรมทั้งทรงทำพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่าย ให้มีบทรวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปฏิหารแก่พวกเราจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่อมาศาสดาปรินิพานไปจุนทะศาสดาเห็นปานนี้แลปรินิพานแล้วย่อมไม่ทำให้สาวกทั้งหลายเดือดร้อนในภายหลัง พรหมจรรย์ที่ไม่บริบูรณ์เป็นต้น 1. จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้ไม่มั่นคงไม่เป็นผู้มีประสบการณ์มากไม่เป็นผู้บวชมานานไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยไม่เป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมามากพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือ าศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากเมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้ น, น, น, นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ 2. จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือาศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวมานา น, านมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามาก แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่แกล้งกล้าไม่บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะไม่อาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบไม่อาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรับประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้พรหมจรรย์ น, นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือ ศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายราชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเทระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้ากล้าบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรพวะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้เมื่อนั้น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 อาจกล่าวสัตธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิฐารปราประประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้แต่ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมละละละพรมจรรย์ น, นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้